ล้วก็เอาหนังสือวางไว้ข้างๆก่อนข้างๆตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมของชุมชนกันตอนเย็น6โมงตรงก็มีเสียงคล้องอะนะทำวัสดสวดเหมือนกันลายสวดสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมองอะตอนเย็นก็อาจจะสั้นนิดนึง วันนี้เราก็ทราบว่าหลวงพ่อขียนท่านก็ไปจังหวัดเลยคือที่นี่หลวงพ่อขียนท่านเป็นประธานสงฆ์ะนะแล้วก็อาจารย์เปียสานเปเจ้าวาอาจารย์ป่สานวินสาโรตอนนี้ไปมังจีนกับลองเจ้าวาดหลวงพ่อขียนท่านไปงานอุปชาของท่านอายุร้อยกว่าปีและอุปชาเจ้าคณะจังหวัดเลยมรณภาพ ท่านก็นบอกเดี๋ยวท่านจะกลับมาที่นี่พอทราบว่าคณะของอวจมาที่วัดป่าสุขโตปฏิบัติธรรมกันเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดสถาามิจังหวัดกลางจังหวัดผู้ ม, มงจังหวัดอีกหลายท่านที่มาได้เอ่ยนามเนี่ยกมาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมกัน ทานบอกเดี๋ยวคืนนี้ท่าจะมานอนอยู่ที่นี่ก็คาดว่าตอนเช้าเราจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากหลวงพ่อกันหลวงพ่อเขียนตั้นก็นมาสร้างวัดป่าสุกโตกัหลวงพ่อบุญธรรมมานะสองรูปนี้ยรูปพี่ลูกน้องกันหลวงพ่อเขียนยังอยู่ต่อถึงทุกวันนี้สมพระบุญธรรมก็ลงไปที่วัดพลทองอยู่ของลางนะ งเขนท่านก็ให้คนมาปฏิบัติธรรมามาที่นี่ก็มาปฏิบัติธรรมเราต้องทำเอาเองด้วยโดยบอกวิธีการฝึกหัดให้วิธีการฝึกหัดเราใช้รูปแบบแล้วเคลื่อนไหว14จังหวะนี่แหละที่พากันทำอยู่กันไหนเนะียยกมือพลิกมือตั้งรู้สึกตัวเคลื่อนไปรู้สึกตัว เป็นกุจ โ, โลบายกุจโลบายก็เหมือนว่าอบายที่มันเป็นกุศลนะกุจโลกุศลกุศลก็แปลว่าความฉลาดเมื่อเราเกอนไหวรู้สึกตัวจเจริญสติแล้วมันจะฉลาดที่ว่าฉลาดคือมันจะเห็นความจริงของชีวิตความจริง ปกติเรามีกายแล้วก็ยึด ก, กายะนะมีจิตใจแล้วก็ยึดจิตใจมีอารมณ์ต่างๆเราก็ยึดในตัวเยอะเรื่ออุปทานนะภาษ า, าศาสนาอุปท า, า น, นมันเข้าไปยึดในตัวเข้าไปยึดการทยานอยากเข้าไปเนี่ยไปผลักไส่แล้วฝ่ายกว่านะถ้าพอใจก็ไปก่อดรัดฝ่ายกว่าถ้าไม่พอใจก็ไปผลักไสทยานอยากมันมีตันหามทยานอยากก็ไป มีอุปท า, านมันให้ค่ากับสิ่งไหนมันก็ยึดสิ่งนั้นแหละจิตนะทางตาทางหูจมูกลิน้นกายสมองต่างๆวิธีคิดอารมณ์มันจะยึดทํ า, ม, า, ามันยึดไปไหนอย่าบอกของกูทันทีของกูตระกูลกูตําแหน่งกูหน้าที่การงานของกูลูกกูปะกูปอกูแม่กูสกุลกูชาติกําเนิดของกู น, นีนี่ตัวกูนั่นตัวเองตัวอะไรก็ว่ากันไปตามสมมติของภาษาจากละเอียดบ้างหยาบบ้างก็หมายถึงว่าเราไม่เคยเห็นความจริงหรือว่าไม่เคยฝึกกายใจของเราโดย ว, ว่าฝึกสติปัญญาตนี้ฝึกให้มันเปิดหูเปิดตาลืมหูเรืมตา เียว่าตาสติตาปัญญาเป็นตาที่สามะนะตาเนี้อเราเห็นกันสองตาเราเห็นกันวัตถุรูปธรรมแต่ว่าตาในตาใจเราเห็นตัวเองเปัญหาการต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มักจะเผลอหลงเข้าไปเป็นประจำเลยจนกลายเป็นกูโกรธกูโกรกูห ล, กลงกูรักกูชังกูอิจฉาริษยากู เบือ่อกูสับสนกูกังวลกูวิตกกูสุขกูทุกข์อะนะมันไม่ได้เห็นธรรมชาติเหล่านั้นด้วยปัญญามันเห็นแล้วมันเข้าไปจนกระทั่งมันไปรับอารมณ์แบกอาการต่างๆจะเป็นความทุกข์มันเข้าไปเนะตรวเนี้ยเราก็จึงมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวให้มันรับรู้สัมผัสรู้ การเคลื่อนการไหวที่เป็นอาการของกายมันตรงกันข้ามทันทีเมื่อจิตมารับรู้ลึกรู้วัตถุรูปธรรมกายฟังตอกยาวานาเคลิบเนี่ยมันก็ไม่ไปหมกมุ่นไปจมทุกไปอมทุกมันออกมาทันทีเลยส่วนใหญ่มันเข้าไปในวังวนของความคิดหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ตอกย้ำ จนเหมือนกับราทุกคนเดินในโลกกันนะเวลาสุขเราไม่ได้ไปสนใจอะไรใครหรอกแต่เวลาทุกข์ขึ้นมันต้องการบุคคลที่3แล้วมันแก้ตัวเองไม่ได้เรือผงเข้าตานะมันเคี่ยวเองไม่ได้น้ําตําอะไรเงี้ยมันช่วยตัวเองไม่ได้มันเคี่ยวไม่ได้นายคนอื่นช่วยบางทีเราก็ต้องอาศัยผู้รู้หรือว่ากัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ต่างๆ แว่าการมาวัดป่าสุกตัวแล้วก็แเดลใสนะผู้รู้จะเป็นบุคคลหนึ่งสองสามเช่นที่นี่มีวิธีปฏิบัติแนวหลวงผู้เทียนแนวเคลื่อนแนวไหวมานนะีมีหลวงพอ่อเขียนท่านเป็นประธานส่งวัดป่าสุกตมีมี จ, จา์ไปาสารวิสาโลท่านก็เป็นเจ้าวาดอย่างน้เรามีพระอีกหลายรูปแล้วก็อยู่กันแบบบรรยากาศของกัลยาณมิตรเพื่อชี้ให้เห็นถึงกัลยาณธรรม เรื่องที่คุณต้องต้องทําต่อไปสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือการฝึกสติเจริญสติพลิกมือให้รู้สึกตัวยกมือขึ้นไปให้รู้สึกตัวฝึกจิตให้มาสัมผัสรู้อาการของกายเป็นหลักวิชากรรมฐานเบื้องต้นจนกรทั่งมันเห็นอาการของจิตที่มันชอบคิดไหลไปตามความคิดนิสัยความเคยชินเก่าๆมันทุกข์เรื่องอะไรมา มันจะไหลไปตามันาจที่มันเคยมีผิปนเคยครอบคลุมเคยควบคุมทำให้เราเหมือนกับว่าต้องเผลอใจไปกับมันเพราะาเราไม่เคยฝึกหัดมีความรู้สึกตัวอหม้ององหลงตัวลเดี๋ยวว่าตัวกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะหลงไปไปอยู่กับมายาของจิตมายาของจิต มันจะเป็นรูปรอยความคิดแต่มันเป็นนามรูปนะเป็นนามธรรมมันจะเป็นเหมือนกับแสงแวบๆบลัแบๆบแบบแบบอยู่ภายในอาการอยู่ข้างในนะั่นแหละบาบไหวจิตจิตจิตพอเรามาฝึกสัมผัส ร, รู้รู้สึกตัวเราก็จะได้เห็นมันไหวไปไหวมาเบื้องต้นเลยอาการไหลไปไหลมาเรียกว่าหลงไหลหลงลืมหลงตัวหลงว่ารู้หลงว่าพออะไรแบบนะั้น มันก็จะมีของมันมากมายเหลือเกินที่มันเกิดจากความไม่รู้สึกตัวแล้วก็เลยฝึกหนึ่งวันสองวันสาวันที่มาอยู่ที่นี้ฝึกให้มีความรู้สึกตัวเชื่อมโยงต่อเนื่องแล้วก็สัมพันธ์กันตลอดไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี้วันแรกๆได้เยินได้ฟังฝึกหัดปฏิบัติใหม่ๆอาจจะงงอยู่อาจจะง ง, งงอยู่ก็ไปเป็นไรหรอ เพอเราเคลื่อนไหวไม่นานนักนะ่มันจะเกิดความคุ้นชินขึ้นมาใหม่เป็นนิสัยใหม่ที่จิตใจของเรามันรับรู้ได้ทุกคนสามารถฝึกหัดได้ทุกคนไม่เว้นเลยลูกแนนสามาเณรเล็กๆก็สามารถปฏิบัติทาได้หรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะอายุสักขนาดไหนก็ปฏิบัติทำได้ตั้งแต่วัยพรหมจันทร์แล้วนะ หนึ่งถึงสาปีก็ฝึกได้นักเรียนนักศึกษารู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่อยากนักงไวเคลือหัดไวการทํางานทํางานทําการสร้างฐานะสร้างครอบครัวมีลูกมีหลานเนี่ยสามถึงห้าปีเราก็ฝึกให้มีสติได้เกินไหวหรู้สึกพลิกมือกวา่าพิกพมือหงายรู้สึกตัวนี่กระทบการรู้สึกตัว การเดินจมกลมการนั่งสร้างจช่วะฝึกได้ไววานประลัดห0ถึงเจปีไวใกลเกษียณไวที่ผ่านการอาบเหงื่อต่างน้ำมาัวใกล้พักแล้วต้องมีหลักใจตรงนี้ก็สามารถที่จะฝึกหัดน้อมกันมาแล้วก็เคลื่อนไหวรู้สึกตัวสั่งตัวเองสอนตัวเองได้ไวสัญญาสีอันนี้ยิ่งดี ไว้เตรียมตัวตายวัยเจ9 0ถึงปีนะก็ที่นั่งอยู่ใที่นี้ก็มีครบนล้นะเพราะนั้นเราเป็นคนคนเดียวกันเมื่อมีความรู้สึกตัวเห็นการเคลื่อนการไหวของกายก็เรียกว่าใช้ตาที่สามันาตารู้สึกตัวตาในตาสติตาปัญญาเราจะรู้จักหยาบไปหาละเอียดตันี้ มันก็จะเป็นการสืบทอดศาสนาแล้วก็ทำให้ศาสนาจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปศาสนาหมายถึงตัวเราอะที่มันไม่เสื่อมที่มันจเจริญมันมีความสุขเกษมสารมีความเป็นปกติสุขนีเห็นการแก่การเจ็บการตายหรือว่าเวลาพัดภาคมันก็ถึงจะทุกข์ก็ทุกไม่มากหรือว่าไม่ทุกเลย เวลาเกิดการปรุงกันแต่งเป็นความโลภความโกรธความหลงรู้เท่ารู้ทันกลับมาเป็นปกติได้ทันถึงจะทุกข์ก็ทุกไม่นานหรือบางทีมันก็ไม่ทุกเลยมันจะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ปฏิบัติ ถ, ถูกต้องมันจะเกิดอันนิสง์มีธรรมะคุ้มครองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจะเป็นคนที่ทุกยากสุขง่ายผู้ที่จเจริญสติมันก็จะมีแล้วนะของอั น, นิสง์ เป็นตัวรับรองแต่ลักษณะที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้ลงก็เป็นในความคิดนะมันเห็นได้ชัดๆที่ผ่านมาผมและตมาเนียพ่อเขาก็ไม่ได้สอนแม่เขาไม่ได้สอนว่าหนูเอ้ยให้รู้สึกตัวลูกเอ้ยรู้สึกตัวนะเขาก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้บอกเงี้ยนะบางทีไปหาเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่ได้สอน รู้สึกตัวนะเพื่อนเอ้ยก็ไม่ได้บอกไปโรงเรียนประถม ม, มัธยมอุดมเียก็ไม่ได้บอกครัวาจารย์ก็บอกถึงวิชาการที่เขาเหมือนกับว่ามีความรู้ทางโลกอย่างไรเขาก็ถ่ายทอดอย่างนั้นให้เราสอบแล้วได้คะแนนก็ A B C D ตัดเกรดเราแล้วเขาบอกว่าผ่า น, า น, นให้ไปทำงานทำการได้ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้มาฝึกสติปัะฐานนะก็ไม่เคยรู้ทีนี้นปรากาเจอพระอยู่รูปหนึ่งพระเขาบอกหลวงพ่อมเขียนนี่แหละพระที่พาปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่านนันธรรมแล้วเราก็มีความรู้่ามันเป็นไปได้เวลารู้สึกตัวเราสัมผัสได้ถึงว่าจิตมันอยู่กับปัจจุบันมันยุกหนึ่งสมัยพศ2527 ที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นก็อายุยังไม่มากนะักก็ศรัทธาขึ้นมาศรัทธาในการที่จะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินโยมกลมรู้สึกตัวอีกหลายที่ก็มีการเดินโยมกลมเหมือนกันแต่ว่ามีคำบริกรรมอยู่เช่นยุบหนอพองหนอนะเวลาเดินมีบริกรรมในะพุโทโธอย่างเงี้ยนะสัมมาละหังก็มีแต่วิธีการนี้มันไม่มี ยกมือเฉยๆเดินจงกมเฉยๆไม่มีคำบริกรรมเพียงแค่สำผัยแล้วรู้สึกสมผายแล้วรู้สึกแล้วก็เห็นว่าเออมันก็เป็นไปได้เราได้ยินได้ฟังหลักการก็คือไม่เข้าไปในความคิดไม่ห้ามความคิดทุกครั้งที่มันคิดเราก็กลับมารู้สึกตัวเบื้องต้นเลยจะเพิ่งไปยุ่งกับความคิดเราก็เข้าใจว่าอทถ้ามันคิดอะไรขึ้นมาเป็นภาษาในหัวสมองก็คือมันเป็นตัวคิด ที่เราไปได้เจตนาเราเจตนาที่จะทำกรรมฐานสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันก็ไม่มีภาษาขณะปฏิบัติมันมีแต่สัมผัสรู้มันไม่มีคิดรู้มันก็มีอาการที่มันจะแยกแยะของมันในตัวการวางจิตวางใจการวางกายขณะปฏิบัติมันจะเริ่มมีประสบการณ์สอนตนในกณะที่เรามาฝึกตนเพราะเรามีศรัทธาเชื่อฟังคราาูบาอาจารย์ And and so มันก็เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมายิ่งเรามีโอกาสได้ปฏิบัติบ่อยๆนี่มาหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไปบ่อยๆมีโอกาสฝึกหัดปฏิบัติบ่อยๆเพราะว่าเราก็เห็นประโยชน์เหมือนกันมันมีวิชาการทางโลกต่างๆมากมายแต่วิชากรรมฐานนานๆจะมีคนพูดถึงมันกสน่าสนใจการมาวัดป่าสุกตก็ถือว่าเป็นสถานที่เรียกว่าสถาบันสติปัฏฐาน ให้สถานะนี้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็คือความเป็นปกติของจิต ท, ที่เคยคิดไหลไปอุ่นวายไปกับลูกกับหลานกับบ้านกับทรัพย์กับการเดินทางกับญาติกับหมู่คณนะเพื่อนฝูงบริวารกับอะไรก็ตามบัดนี้เรามาอยู่ที่วัดป่าส่วนตัวเราก็มาสนใจเรื่องความรู้สึกตัวนะกายเคลื่อนหายใจรู้ฝึกหัดตรงนี้นะเพราะฉะนั้น เราก็จึงเหมือนกันทุกคนมารับรู้วิธีปฏิบัติพลิกมือตั้งรู้สึกตัวนนจนครบ14่จังหวะถ้านั่งแล้วมันเมื่อยเราก็สามารถเปลี่ยนอียบทได้พอมันคิดขอเปลี่ยนสักหนึ่งัง้งสองข้างสามข้างอย้เก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับ เดินไม่ช้าแล้วก็ไม่ไวพอดีพอดีอดเดินแต่ละขณะสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกถ้าเผลอหลงไปคิดไปแล้วก็รู้ว่ามันคิดไม่ห้ามเมื่อกลับมารู้สึกตัวต่อไปบางทีก็มีความง่วงนะความง่วงก็แทรกซ้อนออกมาขณะปฏิบัติอย่างวันนี้มาวันแรกหลายคนก็เจอแล้วแหละเดินไปไม่กี่นาทีก็ง่วง พอมันง่วงปป๊บลราก็ตัดกลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกเราจะไม่หมก็ว่าทำตามความง่วงแต่ว่าบางทีเนี่ยความง่วงเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์อยู่คือมันแสดงตัวออกมาภาษาศาสน า, า, าเรียกว่า น, นิวรธรรมด่านกั้นจิตแม่บรลลุถึงงณงามความดีมันกั้นมันวางไงนะ เราก็ต้องเรียกว่าไข่เหยื่าหรือว่าปลุกปลุกจิตให้มันตื่นโดยการอาจจะเดินแรงๆหรือว่ายกมือสร้างจังหวะแรงๆมันจะเกิดเทคนิคปฏิบัติขึ้นมาเราก็จะเริ่มต้นมีประสบการณ์รู้จักสั่งตัวเองสอนตัวเองรู้จักบอกกับตัวเองชี้นําตัวเองนั่ก็จะเป็นประสบการณ์ของจิตที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นปกติยิ่งๆขึ้นไป บางทีอาจะมีความคิดคลุ้งสร้างนหรือว่ามีอาการนั่งแล้วเจ็บแล้วปวดแล้วเมื่อยชาเหน็บกินอย่างเงี้ยมากมายเหลือเกินที่มันจะเป็นประสบการณ์ทําให้เราเกิดบารมีบารมีมันไม่ทนก็ทนลงไปอย่างเงี้ยการตีบารมีหรือบางทีมันทนไม่ไหวอย่างเงี้ยสติก็ไม่พอมีปัญญารมีก็ได้นึกถึงเรีย บ, บทของเรากําลังทําอะไรกันอยู่อะนั่งขยับรู้สึกตัว จากนั่งเป็นยืนแทนที่จะเป็นจุดอ่อนก็เป็นจุดแข็งขึ้นมาเป็นความเข้มแข็งขึ้นมาความคิดเมื่อก่อนคิดปั๊บก็เปลี่ยนทันทีบัดนี้ก็เปลี่ยนหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งสี่ครั้งความคิดร้องขอแต่ว่าเราไม่ได้ทําตามเราแค่อานาจของสติเป็นตัวเปลี่ยนเราก็เริ่มมีประสบการณ์เป็นการสร้างบารมีในตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ทนก็ทนไม่เฉยก็เฉยบเบกชขาบารมีเกิดขึ้นมาบวชขาทํา เป็นทั้งพรหมเป็นทั้งพระนทําเป็นทั้งพรหมก็หมายถึงว่ามีเมตตาก็น า, า, กเาเมตตารลุเบิกขาเมตตาตัวเองกรุณาตัวเองมันมีอยู่เห็นตัวเองเป็นทุกข์สงสารตัวเองเวลาปฏิบัติจะสงสารตัวเองนะสงสารมากๆเลยเพาะบางทีมันเฉียดตายมาหลายครั้ ง, งที่ว่าเฉียดนรกมาหลายหนบางทีก็จะดุมวาดผวาแล้วมันก็ดูเออ ชีตที่ผ่านมาเมา่อทบทวนดูแล้วมันประมาทวันนี้มาเรารู้สึกตัวก็มันก็รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นมามันมีพลังขึ้นมามีกําลังใจขึ้นมามันได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาขนาดนั้นนั้นมันก็เหมือนกับว่าเออพร้อมที่จะออกไ ป, ไปเผชิญโลกกว้างใหม่แทนที่จะหมดกําลังใจหมดเรีย่ยมหมดแรงเหมือนกับคอประที่เขียนโครงการแล้วก็มีหลักการมาว่านะ ผู้ที่เป็นพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนะก็บางทีทำงานแบบหมดกำลังใจเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายงานก็เรียกว่าทำงานกันเช้าชามเย็นชามอย่างงี้นะที่เขียนบอกมาในโครงการเราต้องการให้เป็นคนที่กระตือรือร้อนในการทำงานรักองค์กรรักเหน่วยงานอย่างเงี้ยเนี่ยฝึกตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหม มันจะรักองค์กรรักหน่วยงานขึ้นมาหเห็นบุญคุณมีความกตัญญูเพราะว่าสติมันเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดนะนะพระบวชวันแรกต้องพูดเลยสติสัมปจั ญ, ญ, ญาต้องรู้จักเลยแล้วก็ไปฝึกจนกระทั่งมันสามารถที่จะเพื่งได้จริงๆแล้วก็พอใช้ด้วยสติการกรู้รู้อย่างเงี้ยนะสมัมป ญ, ญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนทั่มันทั่วพร้อมตั้งแต่หัวเจาะา เรารู้ทั่วสัลปังกายใหม่ๆฝึกนิมจะรู้เป็นจุดเป็นจุดไปก่อนรู้การกระทบแบบหยาบๆแต่ว่าพอมันถอนตัวเองออกมาจัด ก, การเพ่งจี้จ้องพวกนี้มันจะเห็นแล้วเริ่มมีรายละเอียดทั่วสัลปางกายเกิดขึ้นมาบางทีผ้ามาแต่แถวหน้าแข้งก็รู้สึกได้บางทีเสื้อแขนเสื้อหรือผ้ามาสัมผัสแถวหน้าอกแถวคอแถวแขนรู้สึกตัวได้ มีลมมากระทบอะไรรู้สึกตัวได้การสัส่นสะเทือนทั้งหัวจรดเท้ามันก็จะรู้แบบผ่อนคลายอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยชั่วโมงบินหน่อย1วัน2วันสาวัน7วันกี่วันก็แล้วแต่จะค่อยๆมีพัฒนาการหรือบางคนก็ไม่แนเหมอือนกันนะอย่างเช่นหลวงปู่เทียนเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังกฤษศัพท์ของท่านว่าท่านเป็นขา บ, บาดีนะแล้วก็วันทอดกระถินนะท่านโกรธป้รลาของท่าน วันนั้นทอดกระถินห้ากองเลยภริยามาถามว่าค่ามหารลสบเนี่ยจะทํำยังไงจ่ายยังไงท่านก็โมโหนะมีความโกรธคราวนี้ท่านใช้คำว่าหนักตึ๊บเลยพอมันโกรธกว่าหนักตึ๊บขึ้นมาเลยตกเย็นก็เฉยนะรับประทานอาหารเย็นด้วยกันทานข้าวเย็นด้วยกันแม่เตียนก็ถามว่าโกรธค่อยแม่นบ่อวันนี้หลวงพ่อเตียนก็นิ่งนะ ภรรยาก็ถามซ้ำหลวงเทียนก็บอกว่าก็แม่ะนแะล้วก็กดแม่เทียนนะก็คือคนบางเลยนะใคร ม, มีลูกชายคนโตนะชื่ออะไรก็แยกกับพ่ออย่างมีลูกชายชื่อเทียนนะงี้หลวงปู่พันอินทร์ผิวจนะมีชื่อลุงปู่เทียนนะแม่ก็เป็นแม่เทียนนะเอาชื่อลูกชายมาเรียนะกคราว น, นี้แม่เทียนก็บอกกับพ่อเทียนว่า ถ้าวันนี้นะโกรธค่อยก็เท่ากับทาบุญไปนรกแล้วทำบุญก็ได้บาปวันนี้กดมีปัญญาแล้วก็พูดถูกจังหวะพอดนะีก็ฟังแล้วก็เอามาคบคิดต่อจากนั้นก็คิดว่าเราทำบุญทำทานรักษาศีลถอยกระถินพะ่าป่ามานานนะ่ก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะมันมันก็ดีอยู่แต่ว่า มันน่าจะดีกว่านี้อีกและมันน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกก็นึกถึงตอนที่ค้าขายชายแดนไทยลาวนะมีเรือกลไฟนะรับพูดโดยสารมีพระท่านเคยขึ้นมาแล้วก็พูดธรรมะให้ฟังแล้วเคยบอกหลวงปู่เทียนว่าโอ้ยการสนทนาธรรมกันน่ยนะมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกเนี S <S จะฟังร้อยคำพันคำพูดร้อยข้างพันหนมันสู้ลงมือทําไปไม่ได้หรอกลงมือทําเถอะถ้าอยากลงจริงให้ลงมือทำเอท่านก็สะดุดคํำนี้ยจำคํำนี้เอาไว้แล้วก็ท้ายสุดก็คือหลังจากที่มีความโกรธในวันท่อดกระถินนท่านก็ออกไปปฏิบัติธรรมเก็บผ้าเก็บผ่อนหอบเงินหอบทองไปปฏิบัติธรรมใช้เวลาอยู่สองวันเองโยมหลวงปู่เทียนะนะนะ เรเชื่อกัอนว่าอยังเคยได้ยินอาจารย์โค ว, วิดเกมานันทะหรือว่าหลวงพ่อพอมเขียนท่านเคยพูดถึงว่าหลวงพูทเทียนภายในสองวันปฏิวัติธรรมรู้ทั้งระบบของพุทธศาสนาเพราะนั้นพุทธศาสนานั่คือตัวเราสาเหตุที่าศาสนาจะเสริมได้คือหนึเราไม่ค่อยได้ไปสนใจเยี่ยมเยียมพระนะพระก็หมายถึงว่าถ้าเป็นโยมก็เรียกภริยะบุคคลนะนะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นภ ร, ริยะบุคคลนะนะ ถ้าเป็นพระพิษุสงก็เรียกว่าพระอริยะสงถ้ารู้ธรรมะนะหลวงประเทียนเนี่ยรู้แต่ตอนเป็นโยมเลยนงเกงขาสั้นไปวิบวชแล้วก็สอนคนมาสองปีกับแดเดือนหลังจากนั้ น, นก็บวชพิยาสอนคนก็หมายถึงว่าท่านอาศัยผ้าเหลืองนะสอนธรรมะให้คนรุ่นหลังต่อๆกันมาจนกทั้งมรณภาพนั้นการไปเยี่ยมไปยามกัน บ่อยๆมันเกิดศรัทธาขึ้นมาได้ยินได้ฟังศสัจธรรมขึ้นมาเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาแล้วก็ท้ายเสือคือมันจะโยงมาหาตัวปฏิบัติการปฏิบัติได้ต่อมาก็คือสาเหตุที่ทำให้เสื่อมก็คือชาวพุทธก็มักจะมีอาการฟังธรรมเพ่งโทษา ก, การฟังธรรมฟังธรรมแบบเพ่งโทษนะนะก็เรียกว่ามีน้ำล้นถ้วยหรือว่าเต็มแก้วเ น, น่ ก็คือเรารู้อะไรมาเราไม่ยอมเอาของเราออกไปก่อนแล้วเรามาอยู่ที่นี่ก็ให้เอาของเก่าๆวางไว้ก่อนไม่ต้องทิ้งนะไม่ต้องทิ้งเอาวางไว้ก่อนแล้วก็รับรู้รับฟังลองปฏิบัติ ด, ดูสิ่งใหม่ๆนะแล้วถ้าไม่ดีจริงๆก็ไม่ต้องเอาไปนะก็เอาของเก่าที่เราปฏิบัติแล้วก็ทุกมัน ล, ลุหรือว่าไม่ทุกนั่นแหละต่อไปนะมันเป็นอย่างนั้นต่อมาก็คือมันจะเสื่อมได้ก็คือชาวพุทธเนะ่ย ชอบไปสแสวงหาบุญนอกศาสนานก็หมายถึงว่านอกตัวเราเช่ น, นบนบานสารกล่าวอย่างงี้นะหรือว่าเชื่อลิทธิปฏิหารเดี๋ยวนจะโดนบันดาลให้กับเรามั่งมีสีรุขไปสแสวงหาแบบนั้นก็นี่มาที่นี่เราก็ใช้แล้วนะของทำบุญในศาสนานก็เรียกว่าภาวนามัย บุญสูงสุดคือการกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกเดินยงกลมตรงนะีอย่างที่หลวงพูทเทียนเคยมีครูบาอาจารย์พูดกับท่านบอกว่าออนั่งสนทนาทำกัน น, นะฟังร้อยคำพันคำสู้ลงมือทำไปครั้งเดียวไม่ได้หรอกให้ไปปฏิบัติเถอะพ่อเทียนนะแล้วก็มีเวลาอยู่3ามวันแล้วก็ลองทำดนะูได้เท่าที่ได้มาใหม่ๆจะปรับอินซีก่อนนะเช่นการหลับการตื่น กิจวัตรประจำวันมันจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งหนึ่งวันสองวันสมวันกับการทําวัดสวดมนต์อย่งนันบางทีเราก็ไม่เคยคุดมาก่อนตอนเช้าต้องตื่นมาทำวัดต้องสวดมนต์ตอนเย็นต้องตื่นมาทําวัดต้องสวดมนต์เราไม่คุ้นอาหารการครบทั้งต่างๆบางคนติดกาแฟก็ต้องอดกาแฟบางคนสูบบุหรี่ก็ต้องอดบุหรี่บางทีมีอาการลงแดงระบบประสาทเรียกร้องขึ้นมาเราต้องฝึกฝืนฝึกฝนบอสมควรทวนกระแส ลดละเลิกมันอยากเราไม่ทำตามอย่างี้นะเพราะนั้นให้สังเกตอยู่ที่นี่มันจะมีสองตัวที่นอนอยู่ในจิตของเราหนึ่งก็คือจิตที่มีกิเลสกิเลสมันนอนเนื่องมันจะเรียกร้องและท้ายสุดเราต้องทำตามมันแต่ ว, ว่าตัวที่เราไม่ได้เจตนาคิด น, นะตัวนี้สาคัญมันเป็นร่องรอยที่กิเลสมันได้ใช้จนัึงมันํำนานที่สุดละ หนัดมากที่จะเผลอคิดเผลอคิดหลงคิดทั้งวันอีกตัวนึงคือโพธิจิตของเรานมาประทับอยู่มานั่งอยู่คือสภาวะที่เรามีสติประญานรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวตัวนีน้เห็นกายต า, ต, ตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเห็นอาการต่างๆที่เกิดกับกายกับใจของเราภาษาศาสนาเรียกว่าขันห้าขันห้าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมอันนี้ก็เราก็รู้ผ่านความรู้สึกตัวเบื้องต้น เป็นกรรมฐานที่เราจะต้องเรียกว่าเรียนกันเลยเพียันแรกชั่วโมงแรกหรือว่า15นาทีแรกเรามาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวกันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกันพิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือขึ้นไปรู้สึกตัวทุกครั้งที่รู้สึกเป็นการสอนจิตโดยไม่ได้ใช้ภาษาคำพูดต่างๆสติกำลังฝึกจิตของเราและเราก็ได้เห็นว่าบางทีมันจะมีความคิดไหลออกมาโดยเพราะความทุกข์เก่า ปัญหาเก่าๆจิตฝ่ายอากัสรน่ยจะมาก่อนปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆที่แก้ไม่ตกเนจะมาก่อนหลังจากนั้นมันจะเหมือนกับว่าให้เราได้ใช้วิบากนะเช่นเคยมีปัญหากับเพื่อนอ น, น, นะนะมันก็จะแวบมาเพราะทุกคนก็จะมีลักษณะของเรียกว่า เ, เจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรทุกคนก็จะมีอยู่ วิบากกรรมต่างๆทุกคนก็มีอยู่บางทีก็มีศัตรูขู้วอัลลีมากมายหรือว่ามีมิตรแท้มิตรเทียมมาด น, นชีวิตเราผ่านประสบ ก, การณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมันก็แวบมาแนละ้วบางทีเคยพัดพลากมาจากของรักของชอบใจมันจะแวบมาเลยนะบางคนยกมือเลืออตมาเนะี่ยส่วนตัวเนะี่ยไม่จะคิดถึงคนที่เรารักนะเช่นลูกเนี่ย น, นะหรือคนที่เราศรัทธาต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนะี้ มันจะแวะไปถึงคนงามความดีของก็บางทีก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีมันแวะไปหากคนดีบาทีก็แวะไปหาหลวงปู่แหวนฉายยาสุจิน น, น้อยมันจะไปแทบกับหลวงปู่แหวนทันทีนี่หลวงปู่แหวนเนี่ยพระดังทางเหนือเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในหลวงก็ไปกราบกันนึกถึงมั้งเงี้ยบางทีมันก็มีปิติกรลุกขนพองที่จะคิดถึงความดีของหลวงปู่เทียนว่าท่านรู้ได้ไงน้อเนอี่ย ว่าเออความคิดมันเป็นสาเหตคุความทุกข์อย่างนี้แะมันเป็นเหตุถ้าหลงเข้าไปในความคิดเนี่ยเป็นทุกข์แน่นอนท่านไปเห็นความคิดยังไงว่าความคิดผักข้างหลังแล้วก็โอ้เนี่ยเราก็ลังฝึกหัดปฏิบัตินึกถึงเราอบอุ่นใจนึกถึงความดีของหลวงพ่อเขียนนึกถึงความดีกหลายหลายคนโอ้โหซาพาให้เราได้เหมือนกับว่ามารู้จักวิธีปฏิบัติรูปแบบการปฏิบัตินะฮิค ห, หลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาม มันก็จะมาเป็นลองลอยความดีว่าพ่อแม่เราที่เคยเลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็เหมือนกับว่าบางทีก็ดื้อบางทีก็ไม่เชื่ออย่างนี้นะแต่พอเราโตขึ้นไปโตขึ้นไปเนี่ยลองรอยดีๆมันก็เอ่ยย้อนเข้ามาให้เราได้เหมือนกับว่าสํานึกผิดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเออมันมาทะลักทะลวงเข้ามาเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างทีก็หลงบ้างบางทีก็รู้บ้าง มันก็จะมีประสบการณ์เบื้องต้นเลยบางทียินทรียเราก็ไม่แกล่านั่งนิดๆหน่อยๆก็ปวดก็เมื่อยเดินนิดๆหน่อยๆก็ปวดก็เมื่อยแล้วมันก็แสดงออกมาเราได้เกี่ยวข้องอาการที่ว่า ก, กายเห็นกายตาความเป็นจริงกายของเราตั้งหัวจอดรเท้ า, ามันมีจริงๆแล้วมันก็มีอาการจริงๆมากมายเป็นสุขเป็นทุกข์เรียวเวทนาทุกเวทนาของกายแสดงออกมาให้เราได้ดู มีอาการของจิตแสดงออกมามีอารมณ์มันแสดงออกมาให้เราได้ดูเป็นอาการธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงบางทีก็มาเสียงก็มากระทบทางหูรู้ก็มากระทบทางตาบางทีก็มีนิวันทําต่างๆแสดงออกมาเป็นความง่วงความเบื่อบางทีก็เบาเนื้อเบาตัวเป็นความสงบก็แสดงออกมาแล้วก็เริ่มได้อ่านบทเรียนต่างๆที่เขาโชว์ออกมาให้เราได้รู้ ให้เราได้เหมือนกับว่ามีประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจตรงนี้แหละจิตจะถูกปลุกขึ้นมาที่เคยงโง่หลงงมงายไปในอาการต่างๆมาถูกปลุกออกมาให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมันก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัตินะ เ, หเหมือนกันทุกคนไม่เว้นเลยใครก็ตามรอยบุญรอยบาปอย่างเงี้ยมันจะแสดงออกมาให้เราได้รู้จักอาการของบุญถ้าคิดเรื่องบุญก็จะเป็นนี่แหละ จะคิดเรื่องบาประการของบาปหลงกันไปแสดงออกก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราใช้ชีวิตเหลืออยู่จะทําอะไรทําดีหรือทําไมด่ดีหรือจะอยู่เหนือแบบนั้นทําอะไรก็เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติมันจะค่อยมีพัฒนาการขึ้นมายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันจะรู้จักตัวเรานะเป็นยังไง อาการของกายของใจหรือว่าภูมิชาติกำเนิดสกุลลุนชาติของเราฐานหน้าฐานหน้าต่างๆมันเป็นยังไงมันจะได้เจียมเนื้อเจียมตัวไงนะเมื่อก่อนจะหยิงยะโสโหหังหรือว่ามีมาน่ามากมายแต่พอมันมันเห็นอย่างนี้แล้วมันที่เหี่ยวเหี่วมันจะสลดใจอะคือคล้ายๆกับว่ า, วามันมันมันรู้สึกว่าอ่อนโยนนุ่มนวลกับตัวเองมากขึ้นหรือว่า ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผะื่นมากขึ้นมันจะมีอาการอะไรแสดงออกมาภายในจิตใจของเราการคิดการพูดการทํำจะอ่อนๆตัวลงไปจากการที่เคยคิดแล้วพุ่งพูดไปอะไองี้คิดแล้วจะรู้ก่อนจะมีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำนียับยั้งชั่งใจมันก็จะเกิดประโยชน์ทีเดียวนะการปฏิบัติธรรมเดียเพราะว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพเดี่ยเพราะองค์สมเด็จสมาลเจ้า เราเชื่อว่าท่านอุบัติขึ้นมาในโลกนี้จริงๆเมื่อเราเชื่อว่าท่านอุบัติมาในโลกนี้อย่เรามีความยำเกรงในในคำบอกคำสอนของพระเจ้าและโดยเพราะภาวะพุท ธ, ธะที่มันเป็นลษณะของนำมาทำในชีวิตของพวกเราทุกๆคนภาวะพุท ธ, ธะที่มันมีอยู่นะพุธทธิภาวะมันมีอยู่และมันซ่อนอยู่ในความเป็นปกติของจิตตรงนี้เราเคยได้ยินได้ฟัง หลักศาสนาต่างๆมากมายหรือว่าของุศาสนาที่มีพระอุูบาจารย์ท่านบอกเนี้ยแต่พอเรามาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็เท่สัมผัสแล้วเวลาจิตมันปกติขึ้นมาแล้วก็มันเหมือนกับว่าลองรอยตรงนี้มันพึ่งได้จิตปกติมันเบาๆแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังเมื่อก่อนมันไม่ปกติมันมีพลังเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดเหมือนกับว่ามันถูกใช้พลังไปเกินตัว มันมีความเพลิเพลินอานหารแล้วก็ใช้พลังและวท้ายสุดก็เหี่ยวอ่ะเหมือนทําทงานเต็มที่แต่พอท้ายสุดหลังทํางานมันทําอะไรต่อไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังใจเหมือนกับนักมวยคู่ต่อสู้ถูกชกแล้วชกอีกเนี้ยแต่ท้ายสุดพอลงจากเวทีมันโหวมันหมดแรงเหมือนอย่างนั้นแต่พอเราฝึกปฏิบัติธรรมนี่ยเหมือนทําได้เรื่อยๆเวลามันปฏิบัติมันทําได้เรื่อยๆทํางานทําการมันทําได้เรื่อยๆ มันมีสภาวะของความเป็นกลางหรือว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นมาเรื่องของใจกับกายเนี่ยมันรู้สึกว่ามันข่าวลบซึ่งกันและกันเรียกว่ายำเกรงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในหน้าที่การงานในการศึกษาในปฏิสันถานต่างๆมันมีความยำเกรงมีความเกรงกลัวมันมีข้อมันอยู่จริงๆแล้วก็จึงมาเรียนรู้ร่วมกันเหมือนกับว่าทุกคนเป็นคนคนเดียวกัน อขอยความคิดอาจจะเป็นหลายคนหลายท่านนะพิธีคิดต่างๆมากมายแล้วกันแต่ว่าพอเรากลับมาเกินไหวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นคนคนเดียวกันพุทธศาสนาก็อยู่ที่ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนี่แหละส่วนจะปฏิบัติแล้วก็มีพระในการเดินทางจิตของแต่ละคนแต่ละท่านช้าบ้างเร็วบ้างนั่งขึ้นอยู่กับการสังเกตขึ้นอยู่กับองค์ธรรมข้างในที่เราจะค่อยๆหมายถึงว่าถอนลหัส ให้มันเหมือนกับเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏขณะต่อขณะให้มันยิ่งขึ้นไปสมกลรแก่การปฏิบัติต่อไปอย่างนั้นนะอนวันนี้ก็พูดให้ลักษณะของผู้ที่มาปฏิบัติวันแรกนะได้ฟังถึงความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวแต่ละขณะแล้วก็ความคิดอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันโดยสรุปท้ายสุดก็ขอให้การเฏของเราในสาวันนี้นะ แล้วก็ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแล้วก็ธรรมะที่สมควรรู้สมควรเห็นก็จงได้มีประสบการณ์ตรงตามสมควรแก่การปฏิบัติแล้วก็ใครที่มาแล้วมีศีลมีความเป็นปกติดีก็ขอให้อยู่มีความสุขมีความสุขมีความสุขเนี่ยนะถ้าขาดหรืออะไรกันก็บอกกันมีพระสงฆ์มียาธิธรร ม, มธรรมบริกรที่พอจะเหมือนกับเป็นเพื่อนทําให้เราอบอุ่น ในเวลาที่อยู่ที่นี่ร่วมกัน3วันก็ขอให้อำนาจของพระสีและไต้และก็อนาจของการปวิบดีของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกมีแต่ความสุขเกษมสารโดยทัหนาการทุกท่านทุกบันเทิน